พวกเราทรากเปนดีนะพรุ่งนี้เป็นมาสุดท้ายนะของธรรมญาตราแต่ว่าวันนี้นะเป็นมาสุดท้ายนะของการเดินร่วมกันผ่านมา6วันละวันนี้ก็วันที่7หลายคนคงรู้สึกนะว่ามันเวลาผ่านไปเร็วเมื่อไม่กี่วันมา น, นี้เนะเรายังอยู่ที่วัดบุกอาทองเลย แต่ตอนนี้นี่เรามาเกือบถึงปลายทางแล้วเวลามันผ่านไปเร็วเวลาเรามองย้อนกลับไปนะแต่ตอนที่เราเดิ น, นดูเวลามันผ่านไปอย่างช้งชามากแต่ถ้าเราใจเราเดินถ้ากายเราเดินด้วยใจที่อยู่กับปัจจุบันนะบ่อยครั้งเราจะรู้สึกนะว่าเวลามันผ่านไปเร็วเพราะตอนนั้นเวลามันมันไม่มีความหมาย คือใจไม่ได้นึกถึงเลยเช้านี้เนี่ยหลายคนอาจจะตื่นขึ้นมาด้วยเสียงปลุกของเพลงก็ตามนะหรือว่าเสียงะระฆังก็ตามอาจจะรู้สึกเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าฉันมาทำอะไรอยู่นี่เนี่ยเพราะว่าความรู้สึกตอนนั้นเนี่ย มันอยากจะนอนจนสว่างเลยอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะเป็นวันอื่นในระหว่างที่เดินธรรมยาราที่เราเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเรามาทําอะไรอยู่เนี่ยทำไมเราต้องมาเดินด้วยในเมื่อเราอยู่ที่บ้านนี่ก็สบายดีอยู่แล้วนะทำไมต้องมาลาบากทำไมต้องมาตื่น แต่เช้ามืดทำไมต้องมาเดินนะตากแดดถ้าอยู่ที่บ้านเราก็ตื่นเมื่อไหรก็ได้แล้วเราก็จะกินเมื่อไหรก็ได้แลได้กินของที่ชอบจะเข้าห้องน้ำเมื่อไหรก็ได้สะดวกไม่ต้องเข้าคิวแลวไม่ต้องมาเหนื่อยนะกการเดินวันละนะ10 20ีกิโล แต่บางครั้งในความสุขสบายมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชีวิตจิตใจเราต้องการอย่างแท้จริงนะคนที่นึกถึงแต่ความสุขสบายแล้วก็ได้ใช้ชีวิตที่สุขสบายอย่างที่คาดหวังจำนวนไม่น้อยนะก็ไม่มีความสุขรู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่า และจิตใจก็เต็มไปด้วยความเบื่อหน่า ย, ยาจะเรียว่ามันมันอิ่มมันอิ่มกับความความสะดกสบายจนกระทั่งนะกลายเป็นเอียดเลยก็ได้ชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราปล่อยตัวเราเองให้อยู่ความสะดกสบายตลอดเวลานี่ กลายเปว่าชีวิตเนียมันไม่มีชีวาเลยน ะ, ะชีวิตที่มีชีวาคือชีวิตที่ได้ทาในสิ่งที่ยากลำบากและบางครั้งก็ต้องฝืนต้องสู้นะกับจิตใจของตัวเองซึ่งที่จริงมันก็ไม่ใช่เป็นการสู้กับจิตใจนะแต่มันเป็นสู้เป็นการสู้กับกิเลสหรือตัณหาภายในใจเรามากกว่าใจเราถ้าไม่ได้ สู้กับกิเลสตัณหามันก็เป็นจิตใจที่อ่อนแอแล้วก็จะกลายเป็นจิตใจที่ไม่มีชีวิตชีวาแต่ถ้าได้ฟื้นได้สู้นะกับความยากลำบากได้สู้ได้ทวนกระแสะของกิเลสเนี่ย มันจะมีความเข้มแข็งสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นมาเราคงเคยได้ยินนะที่เขาพูดว่าจำเพราะปลาที่มีชีวิตเทนั้นที่ว่ายทวนน้ำแต่ถ้าเป็นปลาตายเนี่ยมันก็ลอยไปตามกระแสน้ำปลาที่มีชีวิตเนี่ยนะเขาการว่ายทวนน้ำมันกลายเป็นส่วนหนึ่งนะของธรรมชาติ ของเขาถ้าจิตใจเราทวนกระแสกิเลสนะซึ่งมักจะปรารถนาความสดวกสบายผิวเผินฉาบช่วยจิตใจเราก็จะมันจะกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาถ้าว่าได้ทวนกระแสกิเลสตัณหามันจะเข้มแข็งขึ้นแล้วจุดจะได้พบสิ่งดีๆ ทั้งที่อยู่ระหว่างทางแล้วก็ปลายทาง <c oughs> อย่างเวลาเราเดินถ้าเราเดินตามกระแสน้ำนะ <c oughs> เดินตามกระแสน้ำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่ายิ่งเดินเนี่ยน้ำก็ยิ่งขุนยิ่งขุนและสุดท้ายกลายเป็นสกปรปกถ้าเราลองเดินจากจา ก, จากต้นน้ำเนี่ยเช่นเดินจาก สมมติเชียงดาวเนี่ยดอยหลวงซึ่งเป็นต้นน้ําเดินลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะพอมาถึงปากน้ําโพเนี่ยซึ่งเป็นกําเนิดของเจ้าพยาเนี่ยก็จะเริ่มเห็น น, น้ำน้ํามันขุ่นคลับแต่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่เดินไปเรื่อยๆพอมาถึงกรุงเทพนี่มันสกปรกไปเลยแต่ถ้าเราลองเดินทวน กระแสน้ำมันเหนื่อยกับการเดินตามกระแสนั้นนะเพราะว่าเดินตามกระแสน้ำนี่มันเดินจากสูงมาหาต่ำเดินจากเขามาสู่ที่ราบแต่ถ้าเราเดินทวนกระแสน้ำเนี่ยมันก็เดินจากที่ราบเนี่ยขึ้นสู่เขาหรือขึ้นสู่ที่สูงชันไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราจะพบมากขึ้นเรื่อยๆคือ น้ำที่เริ่มใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นยิ่งเดินไปถึงต้นน้ำเนี่ยก็จะเห็นน้ําที่ใสชนิดที่ว่าดื่มกินได้เลยอย่างวั น, นี้เราไปถึงต้นน้ําชีเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างนะระหว่างต้นน้ากับปลายน้ําคุณภาพมันต่างกันอย่างไรบ้างชีวิตที่เดินนะทวนกระแสกิเลสเนี่ย ในสุมก็จะพบกับน้ำที่ใสและทัศนียภาพที่งดงามธรรมชาติที่สงัดแต่ถ้าเดินตามกระแสกิเลสไปมันก็ในสุมก็จะเจอกับความขุ่นมัวหรือว่าอาจจะเจอกับชีวิตที่มันตกต่ำก็ได้เหมือนกับน้ำที่มันคุณภาพแย่ลงจนกระทั่งกลายเป็นน้ำเน่าเสีย เมื่อเราเดินนะตามน้ำไปเรื่อยๆการเดินการที่เราได้ฝืนทำในสิ่งที่กิเลสตันหาไม่พึงปรานาแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะมาช่วยทำให้ชีวิตของเรานี่เป็นชีวิตที่สดใหม่นะมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าอายุนะจะมากนะ แต่นั่นก็เป็นเรื่องของร่างกายฝ่ายรู ป, ปรขันแต่ว่าส่วนจิตใจเนี่ยมันก็จะสดใหม่แล้วก็โปร่งเบาสงบเย็นในเป็นชีวิตที่สามารถจะเข้าถึงความสุขได้ง่ายแล้วกระทั่งในสิ่งที่เราเรียกว่าความทุกข์ พีที่แล้วอาจารย์ประมวลก็มาเดินกับเราจนกระทั่งถึงวันท้ายๆแล้วก็วันวันสุดท้ายนี่ก็เดินไกลมากก็มีผู้ร่วมเดินคนหนึ่งนะก็คงจะอ่อนเยาวกว่ า, าอาจารย์ประมวลมากอาจจะเป็นชายหนุ่มก็ถามอาจารย์ประมวลว่าเหนื่อยไหมครับเนี่ย อาจารย์ประโมงก็ยิ้มแล้วบอกว่าผมสุขนะผมมีความสุขเพราะเหนื่อยที่ได้เดินนะมีความสุขนะเพราะเหนื่อยที่ได้เดินไอเหนื่อยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความทุกข์นะแต่ว่าอาจารย์ประโมงก็พบว่าในความทุกข์นั้นมันก็มีความสุขอยู่มันเหนื่อยกายก็จริงแต่ว่าสุขใจนะ ชีวิตที่ลําบากมีความไม่สะดวกสบายเนี่ยมันเป็นชีวิตที่อาจจะเต็มเปลี่ยนไปได้วยความสุขก็ได้นะโดยเพราะถ้าสิ่งที่ลําบากมันเป็นความเหนื่อยเพราะได้ทําความดีได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะในทางพระศาสนาก็จะ จะจำแนกประโยชน์มี2อย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนประโยชน์ตนนี้ก็หมายมายถึงความร่ำรวยมั่งมีแต่หมายถึงชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์หรือว่าสภาวะที่สะอาดสว่างสงบอันนี้เรียกาประโยชน์ตนซึ่งคนที่เขา มีความมั่งคั่งร่ํารวยมีหน้ามีตาอาจจะไม่ได้เข้าถึงประโยชน์ตนเลยก็ได้หากว่าสิ่งที่เขาได้มานี่มันเกิดจากการอารัสอัปเปียบหรือเกิดจากความเห็นแก่ตัวคนที่อยู่ง่ายกินง่ายหรือมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้มีเงินทองอะไรมากแต่าจะาร่ํารวยนะด้วยประโยชน์ตนก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าร่ารวยด้วยอริยสัพ ประโยชน์ท่านก็หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นรวมทั้งทําประโยชน์ให้กับโลกทําประโยชน์กับธรรมชาติและประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านใบ่อครั้งเนี่ยมันก็มาด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างเราเดินธรรมญาตาเนี่ยนะมันก็ได้มีโอกาสทั้งบําเพ็ญประโยชน์ท่านแล้วก็เข้าถึงประโยชน์ตนด้วย ได้ฝึกจิตนะได้เข้าใจชีวิตถ้าเดียวกันก็ได้ทำให้คนเกิดความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นปากเสียงให้กับธรรมชาติที่กำลังเจ็บปวดยร่อแม้ทางการที่สร้างสรนคกให้เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ท่านเนี่ยเหมือนกันนะเพราะว่า เมื่อเรามีสำนึกชนนี้แล้วเราก็จะไม่นิ่งดูดายในการที่จะไปอนุรักษ์ป่ารักษาลำห้วยให้ใสสะอาดปกป้องนะลำนาวทานในความทุกเนี่ยนะเราสามารถจะพบกับความสุขได้อย่างที่ตมาได้เอ่ยถึงพุทธภาษิท์นะมาหลายครั้งว่าเนี่ยสำหรับผู้มีปัญญานะแม้ประสบทุกข ก็ยังหาสุขพบนะบางคนก็พบความสุขในขณะที่ตัวเองเจ็บป่วยเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยมันมาสอนให้เขาได้รู้จักปล่อยวางเพราะได้ตระหนักว่าไอ้ร่างกายนี้นะมันไม่ใช่ของเราเลยมันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงและตัวมันเองก็เป็นทุกข์น อย่างที่เราสาธยายปวดอภินถาปจัจเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรลวมพ้นความแก่ไปไม่ได้วันนี้เราหนุ่มเราสาวแต่วันหน้าเราก็จะแก่อันนี้คือความเปลีป่ยนแปลงที่เรียกว่าอนิจจังเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นจากความเจ็บไข้ไปไม่ได้วันนี้สุขภาพดีมีพลานามัยแข็งแรงแต่วันหน้า ก็จะเจ็บป่วยก็จะโอดโอยก็จะมีทุกขเวทนาบีบคั้นอันนี้แล้วว่าความทุกข์มันแสดงตัวทุกข์ขังความทุกข์มันซ่อนอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่มันรอเวลาแสดงตัวออกมาที่จริงมันก็แสดงตัวเป็นระยะระยะนะใช่เรานั่งเราเดินนานๆ น, านี่เราก็เหนื่อยนะอยากจะนั่งนะนั่งแล้วก็สบายมีความสุข แต่พอนั่งไปสักพักหรือนั่งไปสักระยะหนึ่งเป็นไงเมื่อยเราคิดว่าเออถ้านอนมันจะดีนะจะมีความสุขนะมันไม่เมื่อยพอเรานอนไปสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันก็จะเมื่อยแล้วต้องขยับตัวความเมื่อยนี่แหละคือทุกข์นะทึ่งมันอยู่ในตัวเราเพียงแต่ว่ามันจะแสดงออกมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองที่ก็ที่เราสวดแล้ววันนี้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเนี่ย ก็คืนนี้แหละนะัคือความทุกข์มันอยู่ในตัวเราเพียงแต่มันรอแสดงรอเวลาแสดงตัวออกมาบางทีมาแล้วก็หายเพราะเมื่อเรานั่งแล้วเมือ่อยเราก็ขยับตัวความเมื่อยก็หายเรานอนเราเมื่อยเราก็ขยับตัวนะความเมื่อยก็หายแต่มาถึงจุดหนึ่งความทุกข์เนี่ยมันก็จะแสดงออกมาประเภทไม่หายแล้วเช่นความแก่ชรายอย่างนี้นะพอมัน มันปรากฏตัวขึ้นมาเทีอนเราน้อยเทีอนเราน้อยแล้วมันจะไม่มีอันหนกลับแล้วก็มีแต่จะแก่ตัวลงไปเรื่อยๆส่วนติดใจนีจะกระชุมกระชวยมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือไม่นะอีกเรื่องหนึ่งนะกายมันเสื่อมลงไปตามวันเวลาจิตใจแต่จิตใจจะดีขึ้นก็ได้ถ้าได้มีการฝึกฝนความแก่เนี่ยมันแสดงอนิจจังให้เราเห็น ความเจ็บป่วยมันแสดงทุกขังให้เราตระหนักและความตายก็เหมือนกันนะความตายมันแสดงเห็นว่าไม่ใช่แค่อนิจจังทุกขังนะแต่ว่าไอ้ร่างกายหรือชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราควบคุมไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้รวมทั้งข้อต่อมาด้วยก็คือเราจะต้องพัดพาจากสิ่งที่รักที่ชอบที่พอใจทั้งนั้นไอ้สิ่งที่เรา มีสิ่งที่เราแสวงหานี่รู้แต่เป็นสิ่งที่เรารักแต่ไม่ว่าเราจะรักมากแค่ไหนมันก็ต้องไปจากเราในที่สุดเพราะมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงอันนี้แหละคืออนัตตาอนัตตาคือสภาวะที่ไม่มีใครจะควบคูบังคับบัญชาได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของได้รวมทั้งร่างกาย ของเราด้วยอย่าว่าแต่คนรักเลยนะจิตใจก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ของเราควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้สั่งให้มันหยุดคิดมันก็หยุดไม่ได้สั่งให้มันหายเศร้าหายโกรธมันก็ไม่ยอมมันก็ยังเศร้ายังโกรธอันนี้คนที่เขาเจ็บเ้าป่วยเนี่ยเขาเห็นสัจธรรมตรงนี้นี่เขาปล่อยเขาวางได้แล้วเขาพล่ความความสุขความสงบเย็นอย่างเพื่อต่อมาคนนึงเป็นมะเร็ง มา11ปีมาเ็งเต้านมสองปีสุดท้ายเธบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เธอมีความสุขมากทั้งที่มาเลงก็ลามไปเยอะแล้วเพราะว่าเธอได้ปล่อยวางทีละอย่างทีละอย่างทีละเรื่องทีละเรื่อ ง, องจนแม่ไม่หมดนะแต่ว่าใจมันก็เบาพอเบาแล้วก็มีความสุขอันนี้เราเป็นคนที่พบสุขท่ามกลางความทุกข์นะซึ่ง ไอ้ความทุกข์ที่เราเจอในธรรมญาตานี่มันก็จะว่าไปก็นับว่าเล็กน้อยนะเมื่อเที่บกับความทุกข์ที่จะรอเราอยู่ข้างหน้าอย่างที่เราได้สวดกันเมื่อสักครู่เช่นกันว่าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์อยู่เบื้องหน้าเราแล้วทุกขับประเรตา น, นถ้าเราไปรอให้ไปเจอความทุกข์เบื้องหน้าโดยที่ไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยเราก็จะไม่ใช่แค่ทุกข์กายแต่เราจะทุกข์ใจมาก แต่ถ้าเรารู้ว่าในเมื่อมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่นิ่งดูได้จะไม่งอไม้งอมืองอเท้าแต่ว่าจะฝึกฝนเพื่อเตรียมรับมือกับความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความป่วยความพัดพรากสูญเสียความล้มเหลวในชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว อ, อกหักวิกฤตชีวิต รวมทั้งที่สุดก็ความตายในเมื่อเรารู้ว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องเจอเราก็ไม่ไม่ประมาทแล้วเราก็เริ่มฝึกนะเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรับมือความทุกข์ธรรมญาตาเนี่ยในแง่หนึ่งก็เป็นสิ่งที่เตรียมเรานะให้รับมือสามารถรับมือความทุกข์ได้ไม่ใช่แค่ฝึกให้มีความอดทนอย่างเดียวเมื่อมันมาถึงแต่ฝึกให้เราสามารถจะพบนะสุข ทำกลางความทุกข์ได้เราเดินธรรมยตรานี่ยก็คงสังเกตนะว่าสุขกับทุกข์นี่มันใกล้กันมากนะยิ่งแดดร้อนเดินเหนื่อยมากเท่าไหร่นะพอได้หยุดพักนี่โอ้ในร่มไม้นะมันสุขเหลือเกินนะความสุขของเราเนี่ยในธรรมยตราเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับความทุกข์ระหว่างที่เดินยิ่งทุกข์มากเท่าไหร่เนี่ยนะ ระหว่างที่เดินเนี่ยพอหยุดเดินได้พักเนี่ยมันจะมีความสุขมากได้ยินเสียงคนพูดคุยกันหนุนกันหนิงกั น, นตลอดอะระยะเวลาที่เราพักกินอะไรก็อร่อยนะมันสุขกว่าไปเที่ยวห้างซะอีกนะสุขกว่าไปดูคอนเสิร์ตซะอีกนะเพราะอะไรเพราะว่าเราเพิ่งเจอความทุกมาสดๆหมาดๆนะแดดร้อนนะ เดินเหนื่อยแต่พอความทุกข์มันหยุดปุ๊บนี่สุขมาเลยแล้วความสุขมันเป็นเรื่องง่ายเพราะเพียงแต่ความทุกข์มันหายไปความเหนื่อยมันหายไปความร้อนมันหายไปนะสุขเลยจะเห็นได้นะว่าสุขกับทุกข์มันสัมพันธ์กันมากเพราะมีทุกข์จึงมีสุขนะถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่สุขแต่ว่าสุขมันไม่ได้อยู่ ถัดจากความทุกข์นะในทุกมันมีความสุขนะระหว่างที่เหนื่อยนั่นแหละมันก็มีความสุขให้เราได้ประสบได้ใหม่ๆเนี่ยหยุดเดินเนี่ยถึงจะมีความสุขคือได้พักเนี่ยจึงจะมีความสุขแต่ต่อไปจะเพราะว่าไอ้ตอนที่เดินเนี่ยนะแม้เหนื่อยมันก็มีความสุขเป็นความสุขใจอิ่มเอิมใจและต่อไปเราจะพราะว่าในตัวทุกเองเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะ นอกเหนือจากมันจะมีความสุขซุกซ่อนอยู่มีผู้หญงคนหนึ่งนะเธอจะเรียกชคไร้ก็ได้นะเป็นโรคที่น้อยคนจะเป็นนะแต่เป็นแล้วก็รักษายากมากโรค ก, กล้าเมเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทชื่อมันมันยาวกว่า น, นั้นนะแต่นี่เอาแบบงง่ายๆย่ยอๆเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยก็ได้แต่ว่าเริ่มแสดงตัวชัดเนี่ยนะตอน เป็นวัยรุ่นจริงตอนเด็กๆนี่มันก็เริ่มแสดง ก, การแล้วนะพวกกระดูกสันหลังโครงสร้างร่างกายมันเริ่มบิดเริ่มเบี้ยวการเดินก็ไม่สะดวกแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็ไปเสียออกที่ก้ามเนื้อโดยตรงคือไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแต่ก่อนนี่เดินขึ้นบันไดไปเรียนหนังสือได้แต่หลังเดินไม่ได้พ่อต้องให้เธอขึ้นหลังแล้วพ่อก็นะพาเธอขึ้นไปเรียนหนังสือ เข้าห้องเรียนตอนหลังพอเธออายุมากเนวัยวัยรุ่นตัวหนักขึ้นพ่อก็ไม่มีแรงพ่ออายุมากสุดท้ายก็ต้องเลิกเรียนสมัยนะั้นมันยังไม่มีอรารยศัถปัจจนะที่จะช่วยให้คนพิ ก, การเนี่ยเขาสามารถจะไปเรียนหนังสือได้สะดวกเธอก็เลิกเรียนตั้งแต่อายุ1ิบ5แล้วก็นอนรอวันตายเพราะว่าหมอบอกว่าเนี่ยเธอคงอยู่ได้ไม่เกิน20พอการก็แยกไปเรื่อย หายใจก็ลำบากหายใจได้แค่ 10% เพราะว่าการหายใจมันต้องอาศัยกล้ามเนื้อที่ปอดก็นอนรอวันตายร่างกายก็เริ่มแย่ลงไปสุดท้ายก็ต้องจะไปไหนก็ต้องนั่งรถเข็นมีวันหนึ่งตอนเธออายุ20เนี่ยก็มีญาตินะยืมหนังสือมาให้เธออ่านจากห้องสมุดเป็นหนังสือนิยายเธออ่านแล้วเกิดแรงบันดาลใจ ไม่ใช่แค่มีความสูงอย่างเดียวนะอยากจะเขียนแล้วเธอก็เริ่มลงมือเขียนแต่การเขียนก็มีปัญหาเพราะนิ้วมือเนี่ยหงิกงอจะเขียนจะเขียนโดยปากกาก็ไม่ได้จะพิมพ์กดแป้นจะกินจะใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์กดแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ไม่สะดวกตอนแรก ก, ก็พอพิมพ์ได้แต่ตอนหลังก็ลำบากนะต้องใช้โทรศัพท์มือถือ เใช้นิ้วกดไม่ได้นะต้องเอานิ้วที่หงิกงอนเนี่ยกดกระแทกเข้าไปที่คีย์บอร์ดตอนรับอาการก็เลวร้ายลงนะจกนกระทั่งเวลาจะพิมพ์มันจะพิมพ์อะไรต้องนอนนะนอนแล้วก็เอามือเนี่ยเอามือขวาเนี่ยไปพาดกับตัวแล้วเวลาจะเขียนตัวไหนก็หันหน้านะพอหันหน้าตัวพลิก มันก็จะทําให้มือเนี่ยนิ้วเนี่ยมีน้ําหนักไปกดกอไข่คอข่ายบ น, บนแป้นคีย์บอร์ดโทรศัพท์มือถือได้ขนาดนี้นะเขียนหนังสือแต่ว่าเธอเขียนได้เป็นเล่มๆ เ, เลยนะแล้วเขียนได้มีคนอ่านด้วยเพราะว่าวันนี้เธอเขียนมาได้เกือบยี่สิบเล่มแล้วนะเขียนด้วยวิธีนี้นะอายุสามสิบจากคนที่เคยเป็น ภาระของบ้านกลายเป็นสารองครอบครัวไปเลยเพราะว่าเงินค่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะก็เอามาเลี้ยงจุนเจือครอบครัวส่งเสียน้องเรียนหนังสือจนจบมาหาลัยพ่อก็เสียชีวิตแม่ตกงานก็ได้อาศัยเงินของเธอเนี่ยเลี้ยงดูจุนเจอือแม่ก็คอยช่วยลูกนะในเรื่องการทำหนังสือพิมพ์หนังสือด้วยคนที่เป็นมะเร็งนี่ก็ถือว่าทุกข์แล้วนะเป็นโรคนี้หนักกว่าเป็นมะเร็ง มาเลงเนี่ยเดินเหินไปไหนมาไหนได้ยังมีขามีเท้าที่จะพาตัวเองไปเที่ยวที่นั่นชอบที่นี่แต่เธอนี่ทําได้ยากมากแต่ก็ไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่านะเขียนหนังสือสร้างสารรค์ผลงานทั้งที่มีความทุกข์มากแต่เธอกลับมีความสุขนะเธอผูดใ้ดีนะเธอบอกว่าเนี่ยประสบการณ์เธอมั น, มนสอนเธอว่าความทุกข์เนี่ยมันเทียบความสุขนะ ความทุกข์มันให้อะไรกับเรามันให้อะไรกับเธอได้มากกว่าความสุขที่ความสุขทำให้จิตใจล่องลอยไอ้ความทุกข์เนี่ยมันทำให้ให้อยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่ความเป็นจริง่ซึ่งเดี่ยวความสุขมากคือใจลอยเลยเนี่ยพอความสุขมันทำให้ใจลอยแล้วก็หลงกันนะแต่ว่าความทุกข์นี่มันทาให้ได้อยู่กับตัวเองอยู่ความเป็นจริงซึ่ง มันก็ทําให้เห็นความจริงหรือเห็นสัจธรรมได้ด้วยเป็นกันเธอยังบอกว่าความทุกข์นี่ความสุขแต่ที่จริงเธอก็มีความสุขนะเพราะการที่เธอเห็นความทุกข์แบบนี้ทําให้เธอยอมรับความทุกข์ได้อย่างที่พูดได้เมื่อสองสาวันก่อนว่าคนเราทุกข์เนี่ยนะคนเราทุกข์ใจเนี่ยไม่ใช่เพราะความเจ็บความป่วยนะหรือความพัดพลาดสูญเสียแต่เราทุกข์ใจเพราะเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ยอมรับความจริงเป็นเพราะใจเราผลักใส เวลาเราหงุดหงิดเมื่อได้ยินเสียงดังเนี่ยไม่ใช่เพราะเสียงดังทําให้เราหงุดหงิดนะแต่เป็นเพราะใจเรามันผลักสเสียงนั้นความเจ็บป่วยก็ทําให้ป่วยกายก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำให้ป่วยใจที่ป่วยใจเพราะใจมันยอมรับไม่ได้ใจมันผลักใสแต่พอใจมันยอมรับได้เนี่ยความทุกข์มันความทุกข์ใจมันหายไปเลยนะความทุกข์กายก็กลายเป็นสิ่งที่พอรับได้อันนี้เถอก็ฉลาดนะสามารถที่จะเห็นว่าใน ไอ้ความทุกข์มีประโยชน์อย่างไรบ้างนอกจากมันยังมีความสุขให้ให้เราพบแล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างโดยเพราะการทำให้ได้เข้าใจความจริงของชีวิตซึ่งก็ช่วยทำให้ใจปล่อยวางได้มากขึ้นและพบกับความสงบเย็นในชีวิตเธอของเด็กเธอชื่อพล้าชื่อเียนชื่อเพร้ก็เป็นช่วยที่ เป็นประโยชน์แล้วก็มีความสุขหรือสงบเย็นไปในตัวท่านที่เจ็บป่วยนะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าชีวิตเนี่ยได้ได้ประสบหรือได้ทำสองอย่างเนี่ยคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์เราก็ถือว่าเข้าถึงอลมคติแล้วละ่ะอาจารย์พูดท่าคือบอกว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แม้ว่าจะแม้ว่าจะเหนื่อยจะยากนะแต่ได้ทําประโยชน์ มันก็ทําให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่าและมีความสุขและความสงบเย็นก็เกิดขึ้นได้ท่ามกลางความทุกข์ความเจ็บความป่วยความเหนื่อยเราจะไม่สามารถเข้าถึงสภาวะที่ว่านี้ได้เลยนะถ้าหากว่าชีวิตเราปล่อยไปตามความอยากชื่อที่แสวงหาแต่ความสะดวกสบายเราจะไม่พบนะว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้น ที่ช่วยเราต้องการและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันก็บ่อยครั้งมก็พบจากความทุกข์ความเหนื่อยความยากหรือมันต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยความยากอาจจะรวมเป็นความลำบากด้วยแต่ว่ารางวัลที่ได้เนี่ยมันก็งดงามนะหอมหวานสูงส่งคุ้มกับความเหนื่อยความลำบากความทุกข์ที่เร า, าได้รับม า, าก็ฝากไว้ัเป็นข้อคิดนะสำหรับพวกเราที่จะเดินธรรมญาตตราวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว ก็ขอให้เดินนะอย่างเต็มที่ด้วยใจเต็มร้อยน ะ, ะกลับมาพร้อมกัน